สมัยก่อนมีข่าวฟังแล้วก็จะ็นเรื่องว่าอะชวนตกใจหรือสลดใจค่ะเดียวกันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ไม่น้อยถ้ามีดาบตํารวจคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สิบกลับจากการออกเวรถึงบ้านประมาณตีสองบ้านนี้ก็เป็นร้านชํานะภรรยาก็ดูแลร้านชนํานี้ร้านโชวหวยนะก็ะมาถึงบ้านตีสองก็เห็นลูกเอาแต่เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ก็ต่อว่าลูกทําทไมไม่ช่วยงานแม่นะ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 ไอ้ปืนที่เอาไว้ป้องกันตัวบ่อยครั้งเนี่ยมันก็ทำร้ายคนที่เรารักนะด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เรื่องนี้มันก็เป็นอุทาหรสอนใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าลองใจลูกเนี่ยนะพ่อเนี่ยลองใจลูกนะหรืออาจจะประชดลูกก็ได้นะแต่การประชดหรือว่าการลองใจบางอย่างเนี่ยมันเกิดผลกระทบที่ตามมาแบบคาดไม่ถึงคนโบ ร, ราณเขาบอกว่าที่รักอย่าลองใจนะ หมายถึงว่าคนที่เรารักเนี่ยอย่าไปลองใจเขาอย่าลองใจว่าพ่อลองใจว่าลูกจะรักพ่อไหมนะเห็นพ่อเห็นลูกมาเถียงพ่อนะก็ท้าทายซะเลยเอาปืนมาจะยิงกูสินะอันนี้เราประชดนะพูดประชดนะแล้วก็เป็นการท้าทายในตัวแล้วก็ลองใจด้วยนะปรากฏว่ามันผิดแผนนะนลูกก็เอาปืนมายิงตัวเองลู ก, ก็คงจะมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะน้อยเนื้อต่าใจที่ถูกพ่อว่า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 ก็ต้องมีการทะเลาะ ก, กันพอทะเลาะ ก, กันแล้วก็สะสมก็คงมีการต่อว่าลูกนะอันนี้ก็ทําให้เกิดความน้อยใจนะให้การยิงตัวเองตายนี่มันมันฟ้องถึงว่าถึงความไม่เมตต์ใจหรือการต้องการที่ประชดนะลูกอาจจะมองว่าพ่อเนี่ยมองลูกแบบนี้นะเห็นลูกนะว่าไม่เข้าท่านะเป็นลูกอกตันอยู่ลูกก็เลยประชดพ่อซะเลยนะยิงตัวตายนะถ้าเห่า คงที่ในใจว่าถ้าพ่อเห็นรูปแบบนี้ก็ลูกอย่าอยู่ดีกว่าลูกไปดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง mm hmm. เดี๋ยวนี้คนเนี้ยอ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวมากลูกเนี้อายุยีสิบเอ็ดนะก็ไม่ใช่เป็นเด็กประเภทสิบสี่สิบห้าสิบหกนะยี่สิบเอ็ดแล้วนะอ่แต่ว่าคงมีการกระทบกระทั่งกันอยู่ประจําแล้วก็มีการสะสมนะแล้วก็เกิดความเนเนื้อต่ําใจขึ้นมามันอันนี้มันก็เป็น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 คอบครัวมาสักครู่นะนะลูกก็แรงนะก็ต่อว่าพ่อพ่อก็ยิ่งโกรธลูกมากขึ้นจากความกลัวมกลายนความเกลียดไปเลยนะบางเออรมีปืนอยู่ใกล้นะปืนอยู่ใกล้นะก็พ่อนี่คว้าปืนขึ้นมายิงลูกตายเลยลูกนี้พ่อนี่รักลูกมากนะปาราถนาดีกับลูกยังให้ลูกเป็นคนดีแต่พอโกรธมากๆนี่นะมันกลายเป็นเกลียดนะแล้วพอเกลียดเนี่ยมอยากจะกําจัด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 บางทีก็รู้ผันผาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยคุ้นคิดนะว่าเอมันโยงกับตัวอยังไงบ้างมันใกล้กับตัวเองบ้างหรือเปล่านะเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องปืนเนี่ยนะมันเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นอันตรายหมือหอกข้างแคร์นะครอบครัวที่แตกร้าเปราะ บ, บางนี่ต้องเอาปืนห่างๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถจะกลายเป็นอาวุธที่ทําร้ายกันและกันได้ง่ายเพียงเพราะอารมณ์โฉวู่ไม่ได้ไตรตรองนะแค่โกรธเพราะแค่น้อยใจนี่มันก็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 เป็นทางเสือที่ทําให้เดินไปได้อย่างมีทิศทางแล้วก็เวลาเกิดพายุขึ้นมาเดินทางไม่ได้ก็ต้องมีสมอคอยยึดเอาไว้ไม่ให้มันพลิกความอับปางนะผู้คนมากมายก็ชีวิตนี้อับปางนี่ก็เพราะความไม่มีสติเพียงแค่วูบเดียวนี่นะมันก็หมดอนาคตเป็นเลยอาการแหกสติสําคัญมากนะไม่มีสติเพียงแค่สองสามวินาทีนี่มันมนัเกิดความฉิบหายหายนานี่แบบที่เรียกว่าไม่สามารถจะแก้ตัวได้เลย อ๋อละเตรียมรับพร